สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกไทยนะครับผมอาจารย์สมพงษ์บุญนุนมานั่งตรงนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยเราอยู่ที่ FM 89.5 MHz สสถานีวิทยุมหาวิทยายลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตคุณผู้ฟังครับ รายการมรดกไทยวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระจันทร์เพราะว่าในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของวันอาสาหบูชาแล้วก็เข้าพรรษานะครับความจริงเรื่องราวของพระจันทร์มีเรื่องราวให้พูดมากมายรวมทั้งเพลงที่เกี่ยวข้องกับพระจันทร์นะครับวันนี้เรามาดูกันว่าทั้ง4ช่วงของมรดกไทยมีพระจันทร์ไปเกี่ยวข้องอะไรบ้างนะครับ คุณผู้ฟังครับในช่วงของมรดกเพลงไทยวันนี้นําเสนอเพลงขอจันทร์เพลงนี้เป็นผลงานการขับร้องของคุณวิรดาโกมารกุลนนครนะครับคุณผู้ฟังจะได้ทราบเกร็ดความรู้เรื่องราวของพระจันทร์และในส่วนช่วงที่สองมรดกวิถีไทยวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจ19อย่าง19เรื่องของดวงจันทร์ที่คนไทย แล้วก็ชาวโลกได้ทาความเข้าใจทาความรู้จักมาถึงในช่วงมรดกภูมิปัญญาไทยครับคุณฟังครับพระจันทร์มีอิทธิพลต่อความเชื่อของคนไทยในเรื่องของชีวิตแล้วก็สุขภาพวันนี้แถมท้ายด้วยรูปภาพที่พิมพ์ลงไปบนขนมไหว้พระจันทร์มีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ที่บอกเล่าสิ่งต่าง ประทับไว้บนขนมไหว้พระจันทร์และในส่วนมรดกทางภาษานะครับวันนี้นำตำนานของพระจันทร์มาเล่าให้คุณฟังได้ฟังรับรองว่าทั้งสี่ช่วงสนุกแล้วก็น่าสนใจแล้วก็สัญญานะครับว่าในทุกช่วงของรายการที่มีเพลงเปิดในวันนี้จะเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับพระจันทร์ทั้งหมดอาจจะมีที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวบ้างสักเพลงนึง และนี่คือมรอดกไทยนะครับรายการวิทยุที่ตั้งใจที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้รับทั้งสาระความรู้และก็ความบันเทิงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาพบทั้ง4ช่วงนะครับ FM 89.5 MHz สร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ช่วงที่หนึ่งครับมรดกเพลงไทยคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมนำเพลงขอจันซึ่งเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังหลายๆท่านประทับใจแล้วก็ชื่นชอบมากๆนะครับเจ้าของบทเพลงนี้ที่ขับร้องไว้ก็คือคุณวิรดาโกมรกุลนาณครพูดถึงคุณวิรดาโกมรกุลนานครนะครับเป็นนักร้องคุณภาพที่ร้องเพลงเพราะๆไว้มากมายแล้วก็เป็นนักร้องที่ มีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เวลาถ่ายทอดบทเพลงแต่ละเพลงนั้นก็ทาให้คุณฟังได้ทั้งอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกฟังแล้วเพราะเกือบทุกเพลงนะครับสาหรับผู้เขียนเนื้อร้องเพลงนี้ก็คือคุณสวัสดิ์รีระบุตรหรือว่าคุณแอมทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณอาภิชัยเย็นพูลุขคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมมีคำวัยพ์ที่เกี่ยวข้องกับ ดวงจันทร์หรือพระจันทร์นะครับมาดูคําแรกจันทราแปลว่าพระจันทร์หรือดวงจันทร์ส่วนคําว่าจันทรัสก็แปลว่าเพชรแห่งพระจันทร์ส่วนจันทรพาแปลว่าแสงจันทร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับจันทิราครับแปลว่าพระจันทร์หรือดวงจันทร์จันทิราภรณ์ก็แปลว่าเครื่องประดับพระจันทร์ส่วน จันทิราลัตนะครับก็แปลว่าเพชรแห่งพระจันทร์มาดูคําว่าจันทรเพนง่ายๆเลยนะครับแปลว่าพระจันทร์เต็มดวงส่วนวันเพนนะครับก็คือคืนที่พระจันทร์เต็มดวงนั่นเองรัชนีกรก็แปลว่าดวงจันทร์นิสากรก็แปลว่าดวงจันทร์ด้วยนะครับแล้วก็มีนภัสกรนะครับแปลว่ารัศมีบนท้องฟ้า ก็หมายถึงแสงจันทร์แล้วก็แสงอาทิตย์นะครับสสิธรแน่นอนครับทุกคนรู้จักคํานี้แปลว่าดวงจันทร์สศินานะครับก็แปลว่าพระจันทร์หรือดวงจันทร์สศินาทิพย์ก็แปลว่าดวงจันทร์ที่เป็นของเทวดาส่วนสศินารัตน์ก็แปลว่าเพชรแห่งพระจันทร์หรือพระจันทร์แก้วนะครับ น่าสนใจมากทีเดียวครับส่วนใครที่ชื่อสศีนากุลนะครับก็จะแปลว่าผู้เป็นเชื้อสายจันทร์นั่นเองยังมีคําอื่นๆที่เราอาจจะไม่รู้จักนะครับเช่นคําว่าโทสากรก็แปลว่าพระจันทร์หรือโทสารมก็แปลว่าพระจันทร์ได้เช่นกันส่วนอีกคำหนึ่งคําว่าบุลันคํานี้ทุกท่านรู้จักตีใช้ในคําประพันธ์นะครับ ก็แปลว่าเดือนแปลว่าดวงเดือนแปลว่าพระจันทร์แล้วก็มีอีกคำหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้คุณผังได้รู้จักก็คือคําว่าสิตาแปลว่าพระจันทร์สิตนรัศมีก็แปลว่ามีรัศมีเย็นก็หมายถึงพระจันทร์นั่นเองส่วนคําสุดท้ายของวันนี้คือคําว่ามณีจันทร์ก็แปลว่าเพชรแห่งจันทราผมว่าชื่อต่างๆเหล่านี้มีคนไทยเอาไปตั้งชื่อ เป็นชื่อหญิงสาวเป็นชื่อญาติพี่น้องมากมายทีเดียวนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังได้เวลาที่จะมาฟังเพลงเพราะๆที่เกี่ยวข้องกับพระจันทร์ว่าแต่ว่าทุกครั้งที่พระจันทร์เต็มดวงคุณผู้ฟังได้อธิษฐานขอสิ่งใดบ้างจากพระจันทร์แต่ในวันนี้นะครับวันที่พระจันทร์เต็มดวงผมก็จะอธิษฐานขอให้คุณผู้ฟังของผมนั้นมีความสุขมีสุขภาพที่ดี แล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับตอนนี้เรามาฟังบทเพลงเพลาะๆ พ, พร้อมกันนี่คือเพลงขอจันต์ผลงานของคุณวิยดาโกมรกุลนนนครขอเชิญรับฟังครับ ขอ้าวแกงแว่นใดไม่ใส่ใจไม่ขอโวย มี่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 คุณผู้ฟังครับในช่วงที่แล้วก็มีเพลงเพร้อมมาฝากคุณผู้ฟังก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับที่ได้ส่งข้อความมาบอกว่ารายการมรดกไทยเปิดเพลงเพร้อมที่ถูกใจทุกครั้งที่ฟังก็มีความสุขและนี่คือเจตนารมณ์ของผู้จัดนะครับที่ต้องการเลือกสรรสาระที่น่าสนใจแล้วก็บทเพลงที่ดีที่สุดที่สอดคล้องกับเนื้อหาแล้วก็ทำให้คุณฟังได้ รับความเพลิดเพลินแล้วก็ความสบายใจนะครับมาถึงในช่วงมรดกวิถีไทยครู้ฟังครับคนไทยแล้วก็ชาวโลกมีความสนใจเรื่องราวของดวงจันทร์มีการค้นคว้ามากมายหลายอย่างทีเดียวนะครับวันนี้ก็จะแบ่งปันเรื่องราวของดวงจันทร์เขาบอกว่าเป็น19เรื่องที่เราอาจจะยังไม่ทราบหรือเราก็คงไม่ได้คุ้นเคยเท่าไหร่นะครับ มาดูในข้อแรกนะครับคุณผู้ฟังดวงจันทร์เนี่ยมีระยะห่างจากโลกประมาณ 384,400 กิโลเมตรนะครับหรือเท่ากับการนำโลกมาเรียงต่อกันกี่ใบครับจำนวน30บใบก็จะได้ระยะทางจากโลกไปถึงดวงจันทร์ก็ไกลามากทีเดียวนะครับข้อที่2พระจันทร์เต็มดวงแต่ละครั้งเนี่ย มีขนาดไม่เท่ากันนะครับคุณผู้ฟังขนาดของดวงจันทร์มีหลากหลายขึ้นอยู่กับว่าดวงจันทร์นั้นโคจร อ, อยู่ใกล้หรือไกลจากโลกของเรามากน้อยแค่ไหนแต่ว่าถ้าเท่าที่สังเกตนะครับโดยทั่วไปดวงจันทร์จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นสิบสีเปรเซนต์เมื่อโคจร อ, อยู่ใกล้กับโลกมากที่สุดนะครับข้อที่3ครับ แกนกลางของดวงจันทร์เนี่ยมีมวล 2-4% เของมวลทั้งหมดของดวงจันทร์นะครับถ้าเปรียบเทียบว่าขณะที่แกนของโลกเนี่ยมีมวลประมาณ 30% ของปริมาณของโลกนะครับก็ต่างกันเยอะทีเดียวในข้อที่4ครับคุณผู้ฟังดวงจันทร์ไม่ได้มีลักษณะเป็นทรงกลมอย่างที่เราเห็นกันจากโลกนะครับที่เรามองไปที่ท้องฟ้าแล้วก็เห็นแบบนั้น แต่ว่ามันจะมีลักษณะคล้ายกับรูปทรงไข่เป็นรูปรีรนะครับข้อที่5เนื่องจากดวงจันทร์เนี่ยไม่มีชั้นบรรยากาศไว้กรองรังสีหรือว่าความร้อนจากดวงอาทิตย์นะครับดังนั้นนะครับคุณผู้ฟังช่วงของอุณหภูมิที่ต่ำสุดแล้วก็ช่วงอุณหภูมิที่สูงที่สุดจึงแตกต่างกันอย่างมาก เราคงไปอยู่ที่นั่นไม่ได้นะครับเขาบอกว่าโดยบริเวณที่ถูกแสงอาทิตย์เนี่ยจะมีอุณหภูมิประมาณ127องศาเซลเซียสลองคิดดูว่าจะร้อนขนาดไหนแล้วก็บริเวณที่ไม่ถูกแสงอาทิตย์ก็จะมีอุณหภูมิประมาณติดลบนะครับคุณผู้ฟัง173องศาเซลเซียสด้วยกันต่อไปมาดูข้อที่6เส้นผ่าศูนย์กลางของดวงจันทร์มีขนาด 3,475 กิโลเมตร ซึ่งก็มีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของโลกถึง4เท่าด้วยกันนะครับข้อที่7ดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์ถึง400เท่าแต่มันก็ใกล้กับโลกมากกว่าดวงอาทิตย์ถึง400เท่าเช่นกันดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามองจากโลกเราก็จะเห็นดวงจันทร์แล้วก็ดวงอาทิตย์เนี่ยดูเหมือนจะมีขนาดเท่าๆกันนะครับข้อที่8ปดครับคุณผู้ฟัง พื้นผิวทั้งหมดของดวงจันทร์เนี่ยถูกปกคลุมไปด้วยชั้นของฝุ่นหินแล้วก็เศษหินโดยฝุ่นหินแล้วก็เศษหินเหล่านี้ก็จะเกิดการระเบิดของอุกกาบาตขนาดเล็กนะครับเมื่อหลายล้านปีก่อนข้อที่9ครับถ้ามีการเปรียบเทียบน้ำหนักโลกหนักกว่าดวงจันทร์ถึง81เท่าด้วยกันนะครับต่อไปมาถึงข้อที่10ครับดวงจันทร์มีแรงโน้มถ่วงเป็น หใน6เท่าของโลกนั่นก็หมายความว่าเรื่องนี้น่าสนใจนะครับคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังน้ําหนักตัว60กิโลกรัมถ้าชั่งบนโลกใบนี้นะครับแล้วก็เดินทางไปที่ดวงจันทร์แล้วก็ชั่งน้ําหนักใหม่น้ําหนักก็จะลดไปเหลือเพียงแค่10กิโลกรัมเท่านั้นในเชิงเปรียบเทียบอีกเช่นกันถ้าหากคุณผู้ฟังเนกระโดดอยู่บนโลกนี้ได้ 2.5 เมตร แต่ถ้าไปกระโดดบนดวงจันทร์จะกระโดดได้สูงถึง15เมตรเลยทีเดียวนะครับข้อ11ครับโลกหมุนด้วยความเร็ว 1,000 ไมล์ต่อชั่วโมงอันนี้เป็นความรู้ใหม่นะครับว่าโลกหมุนด้วยความเร็ว 1,000 ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ 1,600 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่ดวงจันทร์เนี่ยหมุนด้วยความเร็วเพียง10ไมล์ต่อชั่วโมง หรือประมาณ16กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับข้อที่12นะครับแม้ว่าดวงจันทร์เนี่ยจะเต็มไปด้วยแสงสว่างแต่จริงๆแล้วความเป็นจริงแล้วนะครับมันไม่ใช่แสงสว่างนะครับแต่ว่าเป็นการสะท้อนแสงของดวงอาทิตย์ออกมาเพียง 7% เท่านั้นข้อที่13ครับคุณผู้ฟังดาวพุธ ด, ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์เพียง2ดวงในระบบสุริยะที่ ไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวาร น, นะครับข้อที่1ิบสีบนดวงจันทร์มีหินเพียง3ชนิดเท่านั้นได้แก่หินบะซอลแล้วก็หินอโนโทรไรส์แล้วก็หินแบล็กซียซึ่งล้วนแต่เป็นหินที่สามารถพบได้บนโลกใบนี้นะครับข้อที่1ิบห้าครับดวงจันทร์เป็นบริวารของโลกไม่ได้โคจรรอบเส้นศูนย์สูตรที่กลางโลกเหมือนกับ ดวงจันทร์ที่เป็นบริวารของดวงดาวอื่นๆแต่ว่าดวงจันทร์บริวารของโลกเราเนี่ยจะโคจรในลักษณะที่เอียงนะครับทามุมประมาณ 20-30 องศากับโลกของเรานะครับมาถึงข้อที่16นะครับคุณผู้ฟังแม้ว่าทั้ง2ด้านของดวงจันทร์จะสามารถสะท้อนแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ได้เท่าๆกันแต่ หากเรามองจากโลกเราก็จะเห็นดวงจันทร์เพียงด้านเดียวนั่นเป็นเพราะว่าดวงจันทร์เนี่ยหมุนรอบแกนของตัวเองไปพร้อมๆกับโคจอรรอบโลกก็ใช้เวลาประมาณ27วันจึงจะทําให้มีเพียงด้านเดียวเท่านั้นที่หันหน้าเข้าหาโลกเสมอนะครับข้อที่17ครับบนดวงจันทร์ก็มีแผ่นดินไหวเหมือนกันเพราะว่ามีการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบพบว่า เกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กใต้ผิวของดวงจันทร์แล้วก็มีระยะทางไกลหลายกิโลเมตรก็ทำให้เกิดการแตกรอยร้าวซึ่งนั่นก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์คาดว่าใจกลางหรือว่าแกนของดวงจันทร์ก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกับโลกนะครับอีกสองข้อก็จะจบนะครับคุณผู้ฟังมาถึงข้อที่18ในแต่ละปีดวงจันทร์จะเคลื่อนตัวออกห่างจากโลกเป็นระยะประมาณ 3.48 ซนติเมตร หรือว่าพระจันทร์เขาไม่รักโลกใบนี้แล้วเคลื่อนห่างออกไปเรื่อยๆนะครับข้อที่19ครับจากการศึกษาวิจัยพบว่าผู้คนส่วนใหญ่จะนอนหลับในคืนเดือนมืดได้ดีกว่าคืนพระจันทร์เต็มดวงก็เป็นไปได้นะครับพระจันทร์เต็มดวงสวยดีเราก็เวลามองผ่านหน้าต่างไปก็ทําให้นึกถึงเรื่องราวต่างๆแต่ว่าในคืนเดือนมืดผู้คนก็นอนหลับนะครับก็เป็นผลงานวิจัยที่ว่ามา คุณฟังครับและนี่คือเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของพระจันทร์หรือดวงจันทร์แต่ว่าตอนนี้มาฟังเพลงเพราะๆที่น่าสนใจสักหนึ่งเพลงนะครับ ไว้ก่อน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 ศูนย์นวัตกรรมความรู้ RMUTT Innovation and Knowledge Center ภายใต้การดูแลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีราชมงคลทัญบุรี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 มาฟังครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องราวของพระจันทร์นะครับได้พูดถึงเรื่องราวของพระจันทร์แล้วก็จะเห็นแสงจันทร์ผมเชื่อว่าก็จะทําให้เรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นนะครับทุกครั้งที่เราคิดถึงอกหักสมหวังหรือไม่สมหวังเรื่องอะไรต่างๆก็มองไปที่พระจันทร์พระจันทร์ก็จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดนะครับเป็นทั้งเพื่อนที่ให้กําลังใจเป็นเพื่อนที่ปลอบใจแล้วก็เป็นเพื่อนที่คลายเหงา ไม่แน่ใจว่าบางช่วงอาจจะทำให้เราเหงามากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนที่เดินทางไปทำงานต่างจังหวัดไปอยู่ต่างประเทศผมว่าถ้าได้เห็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงก็จะนึกถึงบ้านนะครับเอาละครับครูฟังมาถึงในช่วงมรดกภูมิปัญญาไทยวันนี้ก็พูดถึงเรื่องอิทธิพลของดวงจันทร์ที่มีผลกับสุขภาพครูฟังครับเมื่อปีพศ2561 เราก็ได้มีการปรากฏการที่น่าสนใจมากๆก็คือปรากฏการของซูเปอร์มูลนะครับทีนี้มีหลายคนเขาก็พูดไว้ว่าดวงจันทร์เนี่ยมีผลต่อสุขภาพของเรามากทีเดียวเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโบราณเชื่อว่าแสงนวล น, นวนสวยๆของดวงจันทร์เนี่ยจะเป็นตัวเสริมพลังงานของธาตุไฟในร่างกายโดยกระตุ้นให้พลังงานธาตุไฟเนี่ยเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นลองนึกดูนะครับคุณผู้ฟังถ้าวันพระจันทร์เต็มดวงเราออกไปอาบแสงจันทร์ตอนกลางคืนตอนที่แสงของดวงจันทร์เปล่งประกายเขาบอกว่าแสงของดวงจันทร์จะช่วยกระตุ้นธาตุไฟในร่างกายทำให้มีธาตุไฟเยอะขึ้นแล้วเขาบอกว่าในช่วงที่มีซูเปอร์มูลหรือที่เราเรียกกันว่าพระจันทร์สีเลือดนะครับก็บอกว่าความเข้มของแสงจันทร์เนี่ย ก็จะมีมากกว่าปกติดังนั้นการออกไปอาบแสงจันทร์ในคืนที่มีซ u เปอร์มูลร่างกายก็จะได้พลังงานธาตุไฟในร่างกายเนี่ยเพิ่มมากขึ้นส่วนพระจันทร์สีเลือดนะครับก็มีผลต่อร่างกายอย่างที่บอกไปแล้วเพราะฉะนั้นใครที่จะไปอาบแสงจันทร์ก็ต้องรู้ข้อมูลไว้นิดหนึงว่าแสงจันทร์นั้นจะมีส่วนในการกระตุ้น หรือว่าเสริมพลังงานของธาตุไฟในร่างกายได้เขาบอกว่าคนที่มีธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตุไฟอยู่แล้วโดยเฉพาะคนที่เกิดวันอาทิตย์วันพฤหัสนะครับแล้วก็วันเสาร์จะเป็นคนที่มีอุณหภูมิของร่างกายเนี่ยร้อนนะครับจะทำให้เขาเนี่ยมีอาการตัวรุมๆงุดหดง่ายเครียดแล้วก็มีไข้สำหรับคนที่มีธาตุไฟเยอะนะครับคุณผู้ฟังเมื่อไปอาบแสงจันทร์ ก็จะยิ่งเพิ่มพลังธาตุไฟทําให้ป่วยมากขึ้นใจร้อนมากขึ้นกระวนกระวายก็อาจจะก้าวร้าวนะครับยิ่งเมื่อตัวเองรู้สึกผิดหวังยิ่งจะทําให้ชีวิตตกต่ำมากยิ่งขึ้นเขากล่าวไว้ว่าอย่างนั้นและผลของแสงจันทร์อาจจะมีผลต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นกันแต่ว่าในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใด มีธาตุน้ำหรือว่าเป็นธาตุน้ำนะครับการอาบแสงจันเนี่ยก็จะทำให้ปริมาณน้ำในร่างกายเนี่ยเหือดแห้งเร็วขึ้นแต่สำหรับคนที่รู้สึกเพลียหรือว่าไม่มีแรงจิตใจหอเหี่ยวเป็นลมวิงเวียนทิศทางง่ายก็แนะนำให้ออกไปรับแสงจันแสงจันก็จะช่วยกระตุ้นพลังงานนะครับสรุปเลยนะครับคุณผู้ฟังครับ การอาบแสงจันทร์ก็เป็นการรักษาอุณหภูมิและก็ความร้อนของร่างกายให้คงที่จะส่งผลทำให้ธาตุต่างๆในร่างกายเนี่ยมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นทำให้การเคลื่อนไหวของธาตุลมธาตุไฟเกิดความสมดุลนะครับนอกจากนี้แสงจันทร์ยังนำพาสารอาหารต่างๆไปเลี้ยงส่วนต่างๆของ ร่างกายได้ดังนั้นในคืนพระจันทร์เต็มดวงก็ให้ออกมาอาบแสงจันทร์ในช่วงหัวค่ํานะครับเขาบอกว่าแต่ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนําอย่างยิ่งให้ไปอาบแสงจันทร์หลังเที่ยงคืนเพราะว่าอะไรครับช่วงนั้นอากาศเย็นอาจจะมีน้ําค้างแรงทําให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยได้นี่ก็เป็นความรู้ที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับแสงจันทร์ที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นแถมท้ายโดยเรื่องของขนมไหว้พระจันทร์ดีกว่าครับ คุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าบริเวณหน้าขนมไหว้พระจันทร์จะมีการประทับหรือก็พิมพ์นะครับเป็นรูปแบบนั้นเป็นรูปแบบนี้นั่นหมายความว่าอย่างไรเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้คุณฟังได้รับทราบนะครับในช่วงของเทศกาลไหว้พระจันทร์ก็จะมีขนมไหว้พระจันทร์ที่อริดอร่อยนะครับก็ส่วนมากก็จะมีไส้ต่างๆตามสมัยนิยมเช่น ไส้ชาเขียวถั่วแดงไส้ชากุหลาบไส้สตอเบอรี่ไส้มันม่วงแล้วก็ไส้มะม่วงไส้ทุเรียนอะไรประมาณนี้นะครับจุดเด่นของขนมไว้พระจันทร์เนี่ยนอกจากจะไส้หอมหวานเป็นเอกลักษณ์แล้ว mm. ก็ยังมีการพิมพ์ลวดลายลงบนที่หน้าขนมไหว้พระจันทร์ซึ่งก็ใช้ความพิถีพิถันนะครับในการเลือกสรรสิ่งที่พิมพ์เป็นภาพพิมพ์เนี่ยพิมพ์ลงไปเพื่อ เป็นสิริมงคลกับผู้ที่รับขนมไหว้พระจันทร์วันนี้ก็จะพูดถึงว่าถ้าขนมไหว้พระจันทร์มีรูปกุหลาบสามดอกก็หมายถึงว่าจะมีโชคดีในเรื่องของความรักแต่ถ้าเกิดเป็นขนมไหว้พระจันทร์เป็นรูปหน้ากวางก็สื่อความหมายถึงการสมหวังสมปรารถนาถ้าขนมไหว้พระจันทร์เป็นรูปดอกมะม่วง ก็เป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวยและถ้าขนมไหว้พระจันทร์เป็นรูปใบไผ่ก็จะหมายถึงความก้าวหน้ามั่นคงยั่งยืนเพราะว่าชาวจีนนับถือว่าเชื่อกันว่าไผ่เป็นพืชมงคลนะครับที่แสดงถึงความเข้มแข็งทนงและเป็นพืชที่มีสีเขียวตลอดทั้งปีไม่ว่าขนมไหว้พระจันทร์จะหน้าตาเป็นอย่างไร แต่จะทานให้อร่อยนะครับต้องทานกับน้ำชาที่รสชาติหอ ม, หอมประมุนละไมเท่านี้ก็จะทำให้เรามีความสุขได้อิ่มเอมกับรสชาติของขนมไหว้พระจันทรแล้วก็ได้รู้เรื่องราวของสิ่งที่พิมพ์วงไปบนหน้าขนมไหว้พระจันทร์นะครับ ให้ช่วยพัดพาใจไปบอกกับเธอว่าคิดถึงฉันจะรู้หรือเปล่าว่าฉันเหงาเกินกว่าใครวันที่เธอลากไกลบอกไปแล้วจะกลับมาคืนนี้ฉันรอเธออยู่ อยากบอกให้รู้คำเดียวว่าจะรอจนกว่าค่ำคืนนี้ไม่มีจันรักรักเธอหมดใจรู้หรือเปล่าอยากมีเพียงสองเราอยู่กับจันเหมือนเคยอยากฟังซ้ำ คำที่เธอเอื้อเอ่ยบอกว่ารักเหมือนเคยอยู่ในอ้อมแขน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 รักเธอหมดใจรู้หรือเปล่าอยากมีเพียงสองเราอยู่กับใจเหมือนเคยอยากฟังซ้ำคำที่เธอเอื้อเอ่ยบอกว่ารักเหมือนเคยอยู่ในอ้อมแขน รักมีเพียงสองเราอยู่กับใจเหมือนเคยอยากฟังซ้ำคำที่เธอเอื่อเอ่ยบอกว่ารักเหมือนเคยอยู่ในอ้อมแขนฉันบทเพลงที่ส่งคุณค่า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 02-549-3043 หรือที่ www.lotus.rmutt.ac.th วิทยุราชมองคลทันยะุรีกับเชื่องเวลาแห่งความสุขคุณฟังครับในช่วงของมรดกทางภาษานะครับ เราก็ยังอยู่ในเรื่องราวของพระจันทร์ผมจะถามคุณผู้ฟังว่าคุณผู้ฟังพอจะทราบตำนานเกี่ยวข้องกับพระจันทร์บ้างไหมครับอาจจะเป็นเรื่องเล่าในสมัยก่อนตำนานพื้นบ้านหรือตำนานท้องถิ่นถ้าวันนี้ยังจำไม่ได้หรือไม่ทราบนะครับผมจะเล่าให้ฟังในช่วงนี้นะครับถ้าเป็นตำนานหรือนิทานจะขึ้นต้นด้วยคาว่านานมาแล้วในสมัยที่โลกยังมีพระจันทร์สองดวงนะครับ มีดวงจันทร์ดวงหนึ่งเป็นผู้หญิงกับอีกดวงจันทร์อีกดวงหนึ่งเป็นผู้ชายแน่นอนครับดวงจันทร์ที่เป็นผู้หญิงและดวงจันทร์ได้เป็นผู้ชายต่างก็รักใคร่ชอบพอรักกันมานานแล้วนะครับดวงจันทร์ทั้งสองไม่เคยแยกห่างจากกันเลยโคจรไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดเพราะฉะนั้นทุกๆคืนเมื่อมองไปบนท้องฟ้าก็จะเห็นดวงจันทร์ทั้งสองดวงนี้อยู่ข้างกันและกันตลอดนะครับ แต่แล้ววันหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังเรื่องเศร้าๆก็เกิดขึ้นเพราะว่าดวงจันทร์ผู้หญิงได้เปินพบกับดวงอาทิตย์แล้วก็ตกหลุมรักนะครับทำให้ดวงจันทร์ผู้หญิงหลงไหลในแสงเจิดจ้าของดวงอาทิตย์จนเลื่อนตัวตามดวงอาทิตย์ไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็แยกมาจากดวงจันทร์ที่เป็นผู้ชายจนกระทั่งในที่สุดก็พลัดหลงกัน เมื่อค่ำคืนมาถึงนะครับจึงมีดวงจันทร์ผู้ชายเหลือเพียงดวงเดียวส่วนจันทร์ผู้ชายก็ได้แต่เฝ้าตามหารอคอยดวงจันทร์ที่เป็นผู้หญิงตามไปทุกคนทุกแห่งคืนแล้วคืนเล่าวันเวลาก็ผ่านไปนะครับคุณผู้ฟังแต่ดวงจันทร์ผู้ชายก็ไม่สามารถที่จะตามหาดวงจันทร์ผู้หญิงได้พบด้วยความคิดถึงแล้วก็อยากพบดวงจันทร์ผู้หญิงให้เร็วที่สุด อันนี้คุณผู้ฟังต้องเข้าใจนะครับว่าความคิดถึงเป็นความทรมานสิ่งนี้ก็เลยทําให้ดวงจันทร์ผู้ชายคิดว่าหากเรามัวแต่ตามหาอยู่อย่างนี้คงไม่ได้เจอแน่ๆดังนั้นดวงจันทร์ผู้ชายจึงตัดสินใจระเบิดตัวเองเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกระจายไปทั่วทั้งจักรวาลเขามีเหตุผลนะครับสิ่งที่เขาระเบิดตัวเองแบบนี้เพื่อให้ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นนั้น ออกตามหาดวงจังนทร์อีกดวงหนึ่งที่หายไปฟังแล้วหน้าเศร้าแล้วก็เห็นในความรักแท้ของพระจันทร์ที่เป็นผู้ชายนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อเวลาผ่านไปทําให้ดวงจันทร์ผู้หญิงที่เฝ้าติดตามดวงอาทิตย์นั้นได้พบความจริงว่าความจริงแล้วดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงเจิดจ้านั้นไม่ได้ส่องแสงให้กับเธอเท่านั้น แต่ยังส่องแสงไปยังดวงดาวอื่นๆอีกมากมายก็เปรียบเสมือนคนหลายใจบางครับที่ต้องดูแลคนไปเยอะแยะดวงจันทร์ผู้หญิงจึงกลับมาหาตามหาดวงจันทร์ผู้ชายอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเพราะว่าดวงจันทร์ผู้ชายได้ระเบิดตัวเองไปเป็นดาวหมดแล้วต่อมาดวงจันทร์ผู้หญิงจึงได้รู้ความจริงว่าดวงจันทร์ผู้ชายนั้นยอมระเบิดตัวเองเพียงเพื่อตามหาตน จนกระทั่งกระจัดกระจายเป็นเศษเสี้ยวเล็กๆทําให้ดวงจันทร์ผู้หญิงรู้ว่าไม่มีวันที่จะได้เจอกับดวงจันทร์ผู้ชายอีกต่อไปแล้วดังนั้นดวงจันทร์ผู้หญิงจึงได้แต่โศกเศร้าแล้วก็เสียใจนะครับคุณผู้ฟังนะ่าสงสารมากๆตำนานเรื่องนี้แต่ด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ที่ดวงจันทร์ผู้ชายมีต่อดวงจันทร์ผู้หญิงนะครับทุกค่ําคืนจึงพยายามเปล่งประกายแสงที่ยังเหลืออยู่เพียงน้อยนิดของตน ส่งให้ถึงดวงจันทร์ผู้หญิงก็จะเกิดเป็นแสงพลางพลายเต็มท้องฟ้าเคียงข้างดวงจันทร์จนเกิดเป็นดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวให้เราเห็นไปจนถึงปัจจุบันนี้เป็นไงบ้างครับตำนานเรื่องนี้มีทั้งเศร้าแล้วก็ความประทับใจนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าหากวันใดคุณเห็นดวงดาวเปล่งประกายเต็มท้องฟ้าในยามมืดมิด วันนั้นคุณก็จะไม่พบดวงจันทร์แต่ในทางตรงกันข้ามนะครับวันใดที่แสงจันทร์กระจ่างสว่างฟ้าคุณก็ไม่สามารถจะเห็นดวงดาวเล็กๆที่เปล่งประกายระยิบระยับทั้งดวงจันทร์ผู้ชายและผู้หญิงจึงพัดพลากจากกันตลอดมาและนี่คือตำนานและก็เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับพระจันทร์นะครับคุณผู้ฟัง เมื่อตอนลมหองเข้าเบาเพื่อนหาเราเฮสวนเส ร, รักกันหนุ่มสาวคุณไอรักรวงข้าวโถเจ้าไม่น่านายมีพอเดือนแรมรัก็แรมร้าเลื่นโคดาวขาดเดือนฉันก็เพื่อนไม่มีแต่เดือนยังมา แต่คนรักคาสิเป็นปีไม่เคยเห็นหน้าคงมีใครคขคอยเอาใจเก่งนักเจ้าถึงนืมลืมชายที่รักให้คอยเงางอ ย, อยู่หน้ายิ่งมองดูเดือนเมืองเตือนให้ใจพราะว่ายิ่งคืนนี้เดือนจ้ากันมารอ I'll do it a l รักให้คอยเงาหงอยอยู่นายิ่งมองดูเดือนมึงเตือนให้ใจพะวายิ่งคืนนี้เดือนจ้า คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี fm 89.5 MHz มตและตอนนี้ครับคุณผู้ฟังเวลาของรายการมรดกไทยก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้เรานำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดวงจันทร์ เพลงเพล า, าะที่เกี่ยวข้องกับพระจันทร์ก็หวังว่าจะทําให้คุณฟังได้มีความสุขมากถึงมากที่สุดนะครับอย่าลืมนะครับหากคุณผู้ฟังสนใจรับฟังรายการมรดกไทยก็สามารถรับฟังสดได้หรือฟังผ่านออนไลน์ก็ได้แล้วก็มีย้อนหลังด้วยนะครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการมรดกไทยได้ใหม่ทาง FM 89.5MHz สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตวันนี้ผมอาจารย์สมพงษ์บุญนุนต้องขอขอบคุณมากๆถึงมากที่สุดสำหรับคุณฟังที่ติดตามรับฟังรายการนี้เสมอเสมอผมขอให้คุณฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ